ทั้งฝ่ายพระสงฆ์ทั้ง30กว่ารูปทั้งฝ่ายพระสงฆ์ที่จำพรรษาปีนี้39มูกรูปคณะศรัทธาญาติโยมก็มากพอสมควรตามชนนบทในกลุ่มของพวกเราเขาขอให้พวกเราทั้งอกตั้งใจปฏิบัติหรือว่ารักษาศีลหรือว่าสั่งสมคุณงามความดี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 ที่พระพุทธเจ้าแนะนำสั่งสอนท่านให้พวกเราประพฤติธปฏิบัติอย่างไรทำตนอย่างไรให้ทำใจอย่างไรให้ทำกายวาจาอย่างไรพวกเราก็ให้ศึกษาเพราะหลายแนวทางเหลือเกินเพราะพระธรรมคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าตั้ง8 4ด0 0สี่พันพระธรรมขันธ์สุดแท้แต่ครูบาอาจารย์ท่านจะหยิบยกจุดไหนมาอธิบายให้แก่พวกเราฟัง อย่างหลวงพ่อก็เหมือนกันบางทีก็ยกเป็นชาดกบบังเพื่อเป็นแนวทางให้พวกเราได้ฟังได้ศึกษาบางทีก็ยกเอาสดสดมาพูดบงังบางทีก็อ้างอิงบุคคลในปัจจุบันมาพูดบงังเพื่อเป็นแนวทางหรือบางทีก็อ้างอิงถึงพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านได้ประพฤติปฏิบัติมาอย่างไรได้ผลอย่างไรก็อ้างก็อ้างให้พวกเราได้ฟั ง, ไ ด, ฟงได้ศึกษา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 แต่หลยลุ้งตามาหาบัวท่านก็บอกว่าเมื่อเราตายไปแล้วอยาสวดมาติกาให้เรานะไอพวกที่สวดทั้งหลายเนี่ยพวกที่โง่ๆทั้งนั้นแหละลักษณะอย่างนั้นแหละท่านพูดนะออแต่หลวงพ่อเองก็มาอยากจะนําคําพูดของท่านมาพูดเพราะว่ามันเป็นคําพูดที่ตรงเกินไปบางท่านบางคนอาจจะรับไม่ได้นะแต่ตามให่จริงท่านก็พูดลักษณะอย่างนั้นแหละเออ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 อันนี้ใครๆว่าเป็นการบอกกล่าวกันสอนกันนี่แหละคนเนี่ตายแน่นะอย่างที่ท่านตายอยู่ในหีบในโรงเป็นตัวอย่างของพวกเรานี่แหละเพราะนั้นให้พวกเราอย่าตั้งอยู่ในความประมาทเน้ออ น, นิจาวัตสังขาราอุปาทวะยธรรมิโนร่างกายนี่เหมือนกับท่อนไม้ท่อนฟืนนั่นแหละเมื่อตายไปแล้วเมื่อใจออกจากร่างแล้วไม่เกิดประโยชน์อะไรทั้งหมดทําอะไรไม่ได้ เพราะนั้นพวกเราอย่าตั้งอยู่ในความประมาทเนอะอันนี้ก็คือความสวดมาติกาในวันตายแต่บางคนก็ถามว่าเอ๊ะเวลาคนตายไปแล้วเนี่ยเวลาพระจะสวดมาติกาแลว้วบอกจะให้รับสินอย่างเนี้ยแล้วก็ไปเคาะกระลงปุกปุกปว ก, ป ก, ป ก, ป ก, ปกบางทีกเอาอาหารไปเส้นไปวางไว้อะไรกับบนภูมิภูมิพรๆอีกข้างๆเอพระมาแล้วเนอะ ออกไปไหว้พระรับศีลเนอ้เออย่างเนี้ยบางทีก็เคาะกโลงเอรนเนอรับศีลเน้อเดี๋นี้ขณะนี้รับศีลเนอ้เออันนั้นพูดขึ้นไปแต่ตามไม่จริงเพื่อความสบายใจของญาติพี่น้องผู้ที่เกี่ยวข้องเท่านั้นเองเพื่อความสบายใจแต่ตามไม่จริงเรื่องจิตวิญญาณ น, นั้นเขาเขาอาจจะอยู่ในแถบนั้นก็ได้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 เขาก็ดูงานของเขาอยู่แต่เว้นเสียแต่ท่านเป็นพระอรหันต์ไปแล้วพอดับขันปุ๊บท่านก็สู่นิพพานไปเลยท่านไม่มายุ่งแล้วแต่ันพวกเรานอกจากนั้นลงมาพวกเราอาจจะวกวนเวียนอยู่ในร่างกายอยู่ในวงญาติแต่จากนั้นก็เมื่อถ้าว่าพวกเราทำบาปกร้ำ วิญญาณไหนคนไหนที่ทำบาปกรรมหนักพอตายปุ๊บลงไปยมพบาลหรือว่ายมมาทูษยมพบาลเขากดลากไปลงโทษทันทีเขาไม่ให้รอช้าอะไรั้นเเหมือนกับ น, นักโทษอุกสกันนั่นะพอออกจากร่างแล้วเขากดรีบจัดการนำไปลงโทษเลยอันนั้นก็อีกส่วนหนึ่งแต่ส่วนที่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 ท่านไม่ได้เกี่ยวข้องทั้งหมดแหละเพราะมันท่านหนีออกจากร่างแล้วเนี่ยเพราะนั้นครูบาอาจารย์ท่านจริงว่าเวลาตายแล้วไม่ไไ ม, ไม่ไม่มีความสำคัญอะไรมีความสำคัญแต่ขณะยังมีชีวิตอยู่เดียเ๋ยวนี้สิ่งไหนที่เราจะทำสิ่งไหนที่เราจะสร้างเอาก็ให้ลูกเราทำสิ่งนั้น เ, เมื่อตายไปแล้วอย่าไปคิดว่าให้คนนั้นคนนี้ทําให้เรา ขณะยังมีชีวิตยอยู่เราสั่งให้เขาทำก็ยังผิดผิดพลา ด, ดผิดผิดพลาดพลา ด, ดแต่เมื่อตายไปแล้วจะให้เขาทำให้จะให้ถูกใจเราคงจะเป็นไปอย่างนั้นได้ยากเพราะนั้นท่านจึงว่าเวลาขณะยังมีชีวิตยอยู่เราจะสร้างบุญสร้างกุศลเราจะทำอะไรเราทำเอาซะ เ, เราจะทำบุญให้ทานรักษาศีลภาวนาปฏิบัติอย่างไรเราทำเอาเองในเมื่อเราตายไปแล้วเขาจะทาหรือไม่ทา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 อริยบุคคลเป็นพระโสดาบันท่านในปฏิบัติท่านก็เป็นเศรษฐีอีกมีบริษัทวิวารมากมีลูกหลายคนด้วยท่านเป็นผู้เคร่งครัดเป็นผู้มั่นในทำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าด้วยแต่นี้ท่านก็ป่วยพอป่วยหนักท่านก็สั่งลูกชายว่าเออไปนิมนต์พระคุณเจ้ามาสวด กายยาคตาสติให้ฟังโดยสิกายยาคติกันเรื่องบรรยายถึงเรื่องกายกายเป็นของไม่เที่ยงกายเป็นอนิจจังกายเป็นทุกขงังกายเป็นอนัตตาเกรียกสวดสวดให้คือพระพุทธเจ้าท่านสอนอพระท่านก็สวดให้ฟังทีนี้พระท่านก็นิมนต์มาพระท่านก็นมา พอมาเนี่ยโยมก็เห็นพระมากเออเอาในมลพระคุณท่านสวดให้ให้ให้ใหใหข้าไปเจ้าฟังดูสิใครข่าวาเพื่อเป็นเครื่องรื่นเริงทางด้านจิตใจนะถ้าไม่ได้มุ่งหวังอะไรใครข้าวบอกพระเห็นพระสวดขึ้นมาแล้วก็ท่านก็นึกตามไปใจของท่านก็มีเป็นกุศลว่างั้นเถอะน่ยแต่นี้ท่านกับพระสงฆ์ก็สวดเอ่าพอกำลังสวดสวดไปอยู่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 มากๆเผลอสติไปแล้วโรคทั้งโทั้งหลายก็ร้องให้เมื่อกั้น่ะหลายคนลูกสาวลูกชาย ล, ลูกสาวเนี่ยร้องให้หลายคนพระสงฆ์ที่ท่านมาสวดแตงโอ้ไม่ได้การท่านก็เอออาตมาพวกอาตมาลานแลน้วโยมเด้อท่านก็ออกจากบ้านไปเพราะว่า <c oughs> ถึงจะสวดไปกับพวกนั้นก็ร้องห่มร้องให้พอจากนั้นโยมก็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 เพรนั้นพ่อจึงบอกว่าอยู่หยุดก่อนหยุดหยุดยุดจะพึ่งจะพึ่งมารับยังไม่พร้อมเพราะจะกําลังฟังพระสวดจะติปทานอยู่อให้รอก่อนรอก่อนหยุดไม่ใช่พ่อบอกให้อพระสงฆ์หยุดนะทางพระทางลูกลูกเราบอกเอ้าถ้าอย่างนั้นอรถอยู่ที่ไหนล่ะพ่อนั่นนด้เห็นไหมเน่ะไม่เห็นเออไม่เห็นเอาเอ า, เอ า, เอาพวงมาลายมาให้พ่อดิ้สิ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 สูงสุดก็คือไปประเทศที่เขาห้ามยากๆหรยั ง, ยงไปได้ว่างั้นเถอะเพราะอหไหรเพระเรามีสิทธิ์ที่จะไปประเทศง่ายๆนี่ยไม่ต้องพูดถึงลเจะเศรษฐีอยากจะไปที่ไหนเขาก็ให้เปิดประตูลับเลยว่างั้นเถอะอันนี้ก็เหมือนกันเศรษฐีท่านนั้นท่านเป็นพระโส ด, ดาบันแล้วเนี่ยท่านจะไปสวรรค์ชั้นไหนท่านก็ไปได้นะท่านก็ลู ก, กเลยบอกว่าไปชั้นดุสิตพอ่อเพราะว่าชั้นดุสิตเนี่ย โน้มพระมรันดาของพระพุทธเจ้าก็ไปเป็นเทวบุตรอยู่ชั้นดุสิตชั้นดุสิตเป็นชั้นที่เป็นที่น่ารื่นรมพ่อไปอยู่สันดุจฉีตนะเออเอาถ้างั้นเอาพวงมลาลัยมาพ่อจะตั้งกิจอธิษฐานแล้วพ่อจะโยนพวงมลาลัยขึ้นไปค้องแอกรถหรืองอนลถของสวรรค์ชั้นดุจฉีที่เขามา รอรับเหมอนพอเสร็จแล้วท่านก็นโยนพวงมาลัยขึ้นไปเออพวงมาลัยนี้ขอให้ไปคล้องอยู่งอนรถของชั้น อ, อชั้นดุษฎีที่มารับข้าพาเจ้าที่มารับออพอโยนขึ้นไปพวงมาลัยก็ลอยละล่องขึ้นไปก็ไปห้อยออไปคล้องอยู่งอนรถของออชั้นดุษิีที่ม า, มารอรับ อ, อ พ่อก็ถามมาลูกเห็นไหมเห็นพวงมาไลัยไหมลูกทั้งหลายก็ว่าเห็นพ่อเนะ่เออ น, นั่นแหละนั่นแหละรถของชั้นรุสิตอะอยู่ตรงนั้นนะอะแหเพราะนั้นลูกทั้งหลายเนอะอย่าตั้งอยู่ในความประมาทพ่อจะไปแล้วนะที่นี่ถ้าว่าลูกทั้งหลายปฏิบัติอย่างพ่ อ, พ, อพาปฏิบัตินี้ลูกต้องไปอยู่ได้ไปอยู่กับพ่อแน่นอนไม่เป็นอย่างอื่นแต่ถ้าว่าลูกทำตัวไม่ดีนีอ่อ ไม่ได้ไปอยู่ด้วยนะเพราะนั้นพ่อไปก่อนนั้นนะลูกนะหขอให้ลูกตั้งตนเป็นคนดีและปฏิบัติตนอย่างที่พ่อแนะนําสั่งสอนลูกทั้งหลายจะได้ไปอยู่กับพ่อบัดนี้พ่อถึงคราวแล้วอยู่ไม่ได้แล้วตจะไปแล้วชีวิตของพ่อหมดแล้วพ่อว่าเท่านั้นท่านก่อใจขาดเลยใจขาดแล้วหายเงียบไปเลยก็คงจะไปขึ้นสวรรค์ชั้นดุจจิตอย่างที่ว่านั่นน่ะนี่นี่แหละอันนี้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 สวรรคตพอสวรรคตก็ขึ้นไปอยู่สวรร์ชั้นดุสิตยอย่างที่ว่านั่นะแะต่นี้พอพระพอุทธเจ้ า, าได้ครองราชอายุยี่สิบเก้าปีก็ได้ออกบวช อ, ออกบวชได้สำเร็จได้ตัดรูุพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเมื่อได้ตัดรูุ้แล้วท่านก็ได้นำทำคำสอนประกาศเผยแผ่ให้มวลมนุษย อยู่หลายปีจากนั้นท่านก็ลำลึกถึงพระมารดาของพระองค์ท่านว่าอยู่ชั้นดุสิตรเราควรจะไปโปรดพระมารดาอันนี้พระพุทองค์ก็ได้เสียสละเวลาในปีนั้นพวกเดลถีนิคนเขาก็ปลามาดว่ า, าศาสนาในโลกหรือว่าคนในโลกเนี่ยในโลกเนี่ยจะมีฤทธิ์มีเดชมีอิทธิฤทธินั้นคงไม่มีฮะ ในชาติในช่วงนั้นพระพุทธองค์ก็ได้แสดงอิติลิศเมื่อแสดงอิติลิศเสร็จเรียบร้อยแล้วท่านก็ได้ขึ้นไปสู่สวรรค์ท่านไปอยู่สวรรค์สามเดือนไม่ลงมามนุษย์อีกนะจากนั้นพระองค์ก็ขึ้นไปอยู่ไปโปรดพระมารดาอยู่ชั้นฤสิีมีเทวดามาฟังธรรมเทศนาของพระองค์มากพระองค์กว่านี้เทศนิรมิต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 แหมเพลิดเพลาอาจจะไปซื้อเหล้าซื้อยาซื้อวัวควายมาฆ่ามาเลี้ยงมากินกันแหมอย่างนี้ทั้งที่จะเป็นบุญกลับเพิ่มบาปให้แก่พวกเราอีกแหเพราะฉะนั้นโบ ร, บ ร, ราณท่านยังว่ามีชีวิตอยู่ควรจะทํำสิ่งไหนจะเป็นบุญกุศลรีบทํามอซะในขณะที่มีชีวิตอยู่ไม่ต้องไปพึ่งพาอาศัยคนอื่นเขาทาไปพึ่งพาอาศัยคนอื่นเขาเขาอาจจะทํำผิ ด, ผด พัดพลาดไปก็ได้ไม่ถูกตามตามจุดประสงค์ของเราแต่ถ้าเรามีเราก็แบ่งให้เขาทรัพย์สมบัติของเราส่วนที่เราจะทํำเราก็ทําเอาจํานวนที่เหลือเราก็เออเอาจํานวนที่เหลือนั้นให้สู้เจ้าแบ่งกันเถอะไม่ต้องทําบุญให้แกเราก็ได้เราทําเอาแล้วละพอแล้วเราทําแล้วพูดอย่างนั้นมั่นใจอย่างนั้นออันนั้นคือปาฏิเป็นผู้ไม่ประมาท เพราะนั้นหลวงตาท่านมหาบัวท่านบอกว่าข้าทำมาแล้วสิ่งไหนที่เป็นสิ่งนี้ที่มันดีข้าทำอาแล้วพอแล้วเพียงพอแล้วไม่ต้องทำให้เราอีกนะเวลาเราตายก็ไม่ต้องสวดมาติกาให้เราอีกเพราะพวกที่สวดๆนั้นนะอะมองๆดูแล้วมันพวกแต่พวกโง่ๆลักษณะอย่างนั้นแหละแต่หลวงพ่อก็ไม่ไ ม, ไม่ไม่กล้าที่จะนาคาพูดของท่านมาพูดได้แต่ตามไม่จริง แนวความทิศอหลว ง, งตาเป็นอย่างนั้นเอเพราะฉะนั้นคําแปลและความหมายของอภิธรรมอย่างที่พวงเลาะหลวงพ่อได้อธิบายให้แก่พวกเราท่านทั้งหลายฟังนี่แหละอถ้าว่ามีความสงสัยก็ไปถามท่านผู้รู้อีกว่ายังได้นะอที่หลวงพ่อพูดเนี่ยเอเป็นอย่างนั้นจริงไหมแตกตาไม่จริงหลวงพ่อเอานอกประเด็นสักหน่อยทีนี่นอกประเด็นก็คือว่ามีมีพระองค์หนึ่ง นีเคยมาบวชท่านเคยเป็นทำเป็นหมอเหมือนไปโรงพยาบาลใหญ่แห่งหนึ่งท่านบอกว่าท่านไปเฝ้าคูบาอาจารย์พ่อไปนอนแล้วเออถ้าพูดยังก็บว่าผีอ่ำเหมือนกันเถอะนะเอออันนี้อันนี้พูดพูดแต่ไม่มีหลักฐานยืนยันนะท่านบอกว่าผีอ่ำแล้วมีพ้าอุ่นเข้าไปก็อ่ำอีกคนนผีอ่ำอีกอผลที่สุด ห้องนั้นไปว่าห้องติดติดครูบาอาจารย์นอนไม่ได้เลยเว้งั้นเถอะผีอ่ํำเอ้ยเห็นตัวเห็นขาจริงๆเน่ยเป็นผีขาเป๋วาอายุประมาณสิบหกสิบเจ็ดปีเนี่ยนะี่ยเดินมากับขากระเพกกระเพกมาเวลามันมาไปไงมันป้าไอหมุนก้นขึ้นมามานั่งขาอะไรเว้ั้นมานั่งขามันนั่งอกเลยเออทีนี้ก็ดิ้นไอช่วงที่คลับค้ายคลับคามันจะหลับแผลไม่หลับแผลในช่วงนั้นแหละมันมาเว้นั้น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 พระองค์นั้นก็บอกอ้าวเรานี่เองจะเป็นคนทําให้มีอะไรมันก็ไม่พูดอะไรผลที่ฉุก็เลยได้ทําบุญให้เอาถังสังฆทานมาแล้วก็ทำบุญพอทําบุญแล้วก็กวดนะ้ำอุทิศส่วนกุศลให้ก็เนี้ยสวดกุศลาธรรมะกุศลาธรรมะอัปยากตาธรรมะเนี่ก็เหตุปัจโยอนิจาวัติสังขลาจากนั้นก็ให้พรพอให้พรเสร็จแล้วอุทิศส่วนกุศลให้ถวายเจตุปัจจยพระสงฆ์ไป จากวันนั้นมาเงียบล้วนนะเออคนโบลาณโบราณนี่ไอ้สวดบดนี้เนะี่ยมันผีคงจะรู้เรื่องกัมัง้งผมว่าว่าอย่างนี้ได้เออถ้าสวดอย่างอื่นก็ไม่นั่นแต่พอสวดตัวนี้เขามามันหายเงียบไปเลยเนะี่ยแสดงว่ารับรู้รับทราบนะ่ะเออพวกพวกผีทั้งหลายแหละก็คงอยากพวกเราเนี่นะพอสวดที่นีโอ้สวดนี่นี้คือคนตายนะเนี่ยฮลักษณะอย่างนั้นกัมัง้งเหมั้นเออจากนั้นมาก็เลย ไม่เห็นอีกเลยในจุดนั้นละกั้นใครไป น, นอนใครไปอะไรก็ไม่มีอีกแล้วผีไม่อําคนอันนี้ไม่ไม่ใช่มาในปัตไตรปิฎกนะมาพูดแต่บ่าคนที่น่าเชื่อถือได้ทีเดียวน้องไปตีหตรงพ่อนํามาพูดเนี่ยคืออันนี้ก็คือเป็นแนวความคิดอันหนึ่งเหมือนกันผูกที่เชื่อคล้ายๆกับว่าเหมือนกับนี่แหละมันผีจะอั่มนะคล้ายๆบอก ควจะนอนหลับไม่นอนหลับแลฉะ น, นี้แหละวะ่าง้นเถอะถ้านอนหลับไปแล้วก็หายเงียบไปเอ่ถ้าไม่นอนหลับจริงๆก็ไม่เป็นไรพอคลับคล้ายครลาเนี่ยช่วงนี้แหละว่างั้นเถอะที่ที่ที่ท่านองค์นั้นพูดให้หลวงพ่อฟังนะอันนี้ก็เป็นแนวความคิดอีกอันหนึ่งเหมือนกันเนี่ยว่าคนโบราณเนี่ยเขาี่ที่เขาสวดมาติกาบางสกุลอะไรเนี่ยเขาคงจะเห็นจุดนี้ก็มั้งเออถ้าเขาจริงให้พระได้สวดนะ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 แหมแต่ว่าโอ้ยผู้ข้าไม่มีลงพอไม่มีก็ไม่เป็นไรรักษาศีลก็ได้แหมแต่ว่าถึงยังไงทั้งสามอย่างมันเป็นสามขาอย่างถ้าคนไม่ทําบุญทําทานเกิดมาพบหน้าชาติหน้าอันนี้สงทานไม่มีการทํามาค้าขายการทํามาหาเลี้ยงชีพก็ยากจนนะพราะอันิี้สงทานไม่มีแต่ถ้าว่าเรามีอั น, นิี้สงทานตามมีตามเกิดนิดๆหน่อยๆก็ควรจะ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 ไม่ให้มีโทษสิ่งไหนที่มันไม่ดีอย่าริธรรมอย่าฆ่าสัตว์อย่าขโมยทรัพย์อย่าประพฤติผิดในกามอย่าโกหกต้มตุนหลอกลวงเขาเอออย่าไปกินเหล้าอย่ากินเหล้าเมายายาคันชายาฝิ่นเฮโรอีนที่มันไม่ถูกต้องอย่าไปทำทำในสิ่งที่ถูกต้องอันนี้คือเป็นศีลและรักษากายวาจาให้เรียบร้อยแล้วจากนั้นก็สมาธิเี่อย่างที่หลวงพ่อแนะนำแล้วแนะนำอีก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 อันในสงภาวนานี่พร้อมที่จะมีสติมีปัญญาพร้อมที่จะตัด ก, กิเลสราคะโทสะโมหะเป็นพระอริยะบุคคลเพราะภาวนาอันในสงทานาคล้ายๆว่าเป็นวิถีชีวิตของพวกเราถ้าพวกเรามีทานไปเกิดนะัพบพบภูมิไหนไปที่ไหนมีแต่เครื่องมีแต่เครื่องเกื้อกูลหนุนอั น, นี้สงทานาไม่อดไม่อยากพอเป็นพอไปถึงเขาจะทุกข์ยากลำบาก แต่อันนี้สงทานของเราเกือ้อกูลหนุนอย่างพระศิวลีอย่างเนี้ยที่ท่านได้ตั้งความปรารถนาที่ท่านได้ทําบุญไว้ในอดีตชาติท่าว่าพระศิวลีไปที่ไหนนี่ไม่อดไม่อยากคนก็แห่ไปทําบุญกับท่านจากนั้นท่านได้ของทยายทามันแบ่งให้พระภิกษุสงฆ์เพราะอันนี้สงทานของท่านมีนะอั น, นิี้สงทานของท่านนี่แหละอ ค่าเราไม่มีอั น, นิสง์ทานเราไม่เคยทําบุญทําทานไปที่ไหนก่อนเนี่ยต้องปักกัดตีนถีบหมันขยันจะก่อนจึงได้อยู่ได้กินเพราะอั น, นิสง์ทานไม่มีเพราะฉนั้นพระพุทธเจ้าถึงว่าทานก็จําเป็นนะ้ะควรจะเสียสละใ ห, ใ, หให้รู้อัตภาพของตนเองเรามีอยู่มีกินพอประมาณแล้วก็ทําบุญทําทานไปบ้างไม่ใช่ว่า ค่าไม่มีท่าก็ไม่ทำแต่ตัวเองยังมีอยู่มีกินเน็รู้จักแบ่งอแบ่งพ่อแบ่งแม่แบ่งสรรปันส่วนแก่ผู้มีพระคุณสำหรับเราหรือทำบุญทำทานในพระพุทธศาสนาหรือช่วยเหลือสาธารณประโยชน์อย่างนี้ล้วนแล้วจะเป็นการเสียสละเป็นการทำทานส่วนศีล น, นก็รักษากายวาจาของตนเอง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 เห็นแล้วเขา้าเข้าเาก็เหมือนกับมีอะไรปกป้องลักษณะอย่างนั้นน่ะแต่จะเข้าไปเนี่ยก็เหมือนกับมีสิ่งอะไรปกป้องเอมินมีเทวดาหรือว่ามีคนยืนเฝ้าอยู่ขโมยก็ไม่กล้าไม่กล้าเอาเพราะบุญกุศลไปเฝ้าไว้อยู่ว่ากันน่ะแน่นี่แหละเพราะนั้นศีลคุ้มครองจะเป็นลักษณะอย่างนั้นแต่หากว่าไม่มีเราเคยไปขโมยของเขามาก่อนพอขโมยเห็นนั่นน่ะ เหมือนกับมองที่อื่นไม่เห็นเห็นรองเท้าคู่นั้นแหละสวยงามเหมือนกันเถอะพอได้สู่กับขมโมยก็ไปหยิบออกรองเท้าทั้งที่คู่อื่นๆดีแสนดีขมโมยไม่เห็นว่างั้นเถอะมาเห็นคู่ของตนเองที่มันขาดขา ด, ดเว็นบินนั่นแหละเ อ, เอาไปเหมือนกันเอะนี่แหละเพราะเหตุไรเพราะว่าอบาปกรรมของตัวเองเคยไปขมโมยของเขาอในอดีตชาติ น, นี่แหละถ้าว่าพวกเราทําดีไปแล้ว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 ให้มีสติสัมปชัญญะสติคือความระลึกได้สัมปชัญญะคือความรู้ตัวให้มีรู้ให้รู้ตัวอยู่ที่ลมหายใจเข้าหายใจออกให้กำหนดจดจ่ออยู่ที่ลมปลายจมูกลมกระทบที่ไหนก็ บ, บริกรรมพดหายใจออกบริกรรมว่าโทแต่ถ้าว่ามันเผลอไผลมันออกไปอยู่ให้บริกรรมให้ทิ ท, ทีก็ได้ทีนี่ให้ทิทีที่ใจของเราเน่ะ ใจของเรานึกคิดเรื่องอะไรให้บริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธแต่จะไปพูดออกปากนะให้พูดบริกรรมให้ใจพูดว่างั้นนะให้ใจบริกรรมให้ใจพูดพุทโธพุทโธพุทโธจนไม่เห็มีช่องว่างเลยว่างั้นเนีอยู่ในใจของเราอันนี้ก็จะทําให้จิตใจของเราสงบได้อีกเหมือนกันผลสุดใจของเราก็จะสงบว่างเป็นคณิกะอุปจาระอัปนาเป็นสมาธิต่อไป ในเมื่อจิตสงบล้ะที่นี้นัตถิสันติปรังสุขขังความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีเพียงสงบเพียงแค่นี้เราก็มีความสุข อ, อ, อย่างมากทีเดียวไม่ต้องพูดถึงว่าสงบราบคาบไม่มีกิเลสราคาโทสะโมหะอันนั้นเป็นบรมมสุขแต่นี้เป็นความสุขประเดียวประดาวชั่วข้างชั่วข่าวเราก็จาไม่ลืมเหมือนกันเ อ, เ, อ, อเหมือนกับเราล้นๆอมมีความทุกข์มาแล้วได้กินข้าว อ่าอิมอ่มๆแล้วก็อาบน้ําเยน็นเย็นแล้วก็ได้พักผ่อนโอ้มีความสุขจริงๆในช่วงนั้นนะเนี่เราจําได้เราระลึกได้เพราะงั้นอันี้ก็เหมือนกันอ่ะถ้าเราทําจิตใจให้สงบได้ในครั้งใดใจของเราจะไม่ลืมอย่างนั้นแหละคิดขึ้นเวลาไหนใจคนโอ้มีความสุขที่เราได้พักผ่อนนอนได้ทานอาหารอิม่มแล้วก็ได้พักผ่อนอากาศเย็นเยน็น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 พวกเราได้ปฏิบัติแล้วหลวงพ่อมั่นใจเหลือเกินนะพวกเราจะเชื่อมั่นในพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าถอนไม่ขึ้นเมื่อกันแต่ถอนไม่ขึ้ น, น, น, นค่แค่ว่าเราเห็นจริงเห็นจังตามที่พระพุทธเจ้าท่านแนะนำท่านสั่งสอนเราก็ปฏิบัติรู้เห็นจริงอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านสอนด้วยถึงจะไม่ทั้งหมดก็ได้รับความเยือกเย็น